ยลพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8ม ก, การาคมพุทธศักราช2559เป็นวันพระวันธรรมบสวาณวันฟังธรรมวันมงคลอย่างยิ่งอีกวันหนึ่ง ก็เป็นวันที่สาธุชนพุทธบริษัทได้เข้ามาวัดเพื่อมาสร้างเหตุที่จะทำให้ความสิริมงคลปรากฏขึ้นมานั่นเองความมงคลก็คือความสุขและความเจริญในทั้งทางโลกและในทางธรรมเกิดได้จากการที่เราบำรุงเหตุเหตุที่จะทำให้เกิดความมงคลนี่ มีอยู่38ประการด้วยกันเช่นการไม่คบคนพาลคือการไม่คบคนง่ 2. สองการครบคนฉลาดคบบัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชานี่คือตัวอย่างของมงคลสามข้อแรกมีทั้งหมด38ข้อด้วยกัน ถ้าใครสามารถปฏิบัติทั้งส8ข้อได้ก็สามารถที่จะบรรลุถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้สองข้อแรกนี้เป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าการครบคนนี้จะมีผลต่อชีวิตของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยเขาก็จะดึงเราไป ทางของเขาถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเดิงเราไปทำความดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็จะเดิงเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าคบคนไม่ดีคนไม่ดีคือคนพานคนที่ไม่รู้จักคุณจากโทษไม่รู้จักบุญจากบาปไม่รู้จักเหตุจากผล เป็นคนที่ชอบทำบาปคนที่ชอบเสพอบายามุขต่างๆชอบฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูของละเล่นของบันเทิงต่างๆคบคนไม่ดีเป็นมิตรและมีความเกลียดชัง นี่คือคุณสมบัติของคนไม่ดีของคนพาลถ้าเราเห็นว่าเขามีคุณสมบัติเหล่านี้เราควรพยายามหลีกเลี่ยงแต่ไม่ให้ไปรังเกียจหรือไปโกรธไปเกลียดเขาแต่อย่าไปอยู่ใกล้เขาอย่าไปใกล้ชิดมากจนเกินไปถ้ามีความจําเป็นจะต้องทํางานร่วมกันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เราต้องระมัดระวัง เวลาเขาชวนเราไปเสพสุรายาเมาชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปเที่ยวกลางคืนชวนเราไปดูของละเล่นต่างๆของบันเทิงต่างๆก็อย่าไปชวนเราไปคบคนไม่ดีก็อย่าไปคบเราต้องระมัดระวังตัวเราอย่าไปเสียดายพฤกษคนแบบนี้คนในโอกนี้ไม่ได้มี คนแบบนี้เพียงคนสองคนมีคนเป็นล้านร้อยล้านพันล้านเราสามารถเลือกที่จะคบคนดีได้เพราะการครบคนดีเขาก็จะชวนเราไปทำความดีแค่นายโยมที่มาวัดนี่ถือว่าเป็นคนดีคนรู้บุญรู้บากรู้คุณรู้โทษแล้วก็ชวนให้เรามาหา คนที่ฉลาดคนที่เก่งคนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระอาหลานตสาวกทั้งหลายไม่มีใครในโลกนี้ที่จะดีที่จะเก่งที่จะฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอาหลานตสาวกเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันได้ถ้าเรามาหาพระพุทธเจ้าหาพระอาหลานตสาวกท่านก็จะชวนเราทำความดีต่างๆเช่นชวนเราให้ทำบุญทำทานชวนให้เรารากาักษาศีลชวนให้เราชำระใจให้สะอาด กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆถ้าเราไม่ได้ครบกับพระพุทธเจ้าครบกับพระหลันทสาวก็จะไม่มีใครชวนเรามาทำสิ่งเหล่านี้เราก็จะถูกคนที่ชวนให้เราไปทำในสิ่งที่ ทำให้เราต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เขาก็ยังไม่ได้เป็นคนฉลาดคือเขายังหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอะไรทําให้เขาติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็คือความหลงติดอยู่ในลาบยศสรรเสริญความหลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ยังมีความรักความชอบที่อยากจะได้ลาบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่<ม>ก็ยังจะต้องติดอยู่<ม>การเวียนว่ายตายเกิดอยู่พราะเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายยังไม่ได้ถูกกําจัดไปนั่นเอง นี่คือคนที่ดีแต่ยังไม่ดีเต็มที่คนที่มีศีลรักษาศีลคนที่ทำบุญทำทานถือว่าเป็นคนดีระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพร้อมไม่ดีสูงสุดนะเพราะว่ายังไม่สามารถตัดความหลงยึดติดกับความสุขทางโลกได้ต้องมีคนอีกระดับหนึ่ง คือคนที่เห็นโทษของการหาลาบยศสรรเสริญ<ม>เห็นโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ยุติการหาความสุขเช่นวันนี้ก็จะรักษาศีลแปเป็นต้นการรักษาศีลแปนี้เป็นการหยุดการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่ถือศีลแปด วันนี้เขาจะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเขาจะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานมากมายรับประทานวันล ะ, ละมือ้อสองมือ้อก่อนเที่ยงวันก็อยู่ได้แล้วร่างกายได้รับอาหารพอเพียงอยู่ได้อย่างสบายเขาไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก แต่เขาจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการไหว้พระสวดมนต์จากการนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกเป็นต้นอันนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางร่างกายและจะเป็นความสุขที่จะทำให้ผู้มีความสุขแบบนี้ไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้ายังต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยู่เช่นจะใช้ตาดูหูฟังจมูกไว้ดมกลิ่นลิ้นไว้ลิ้มรสร่างกายไว้สัมผัสความรู้สึกต่างๆก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตาเกิดแต่คนที่ฉลาดคนที่ได้พบกับพระพุทธเจ้า ได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอรหันตสาวกก็จะได้ยินได้ฟังว่าการที่เรายังติดอยู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําเล่าเราก็ต้อง หยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมาถือศีลแปดกันถ้าเืมต้นยังรักษาศีลห้าไม่ได้ก็ให้หัดรักษาศีลห้าไปก่อนวิธีที่จะรักษาศีลห้าได้ก็คือต้องเป็นคนมีความเมตตาต้องหัดเจริญเมตตาคือความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ให้คิดว่าผู้อื่นก็เหมือนเราทุกคนมีความต้องการความสุขไม่มีใครต้องการความทุกทุกคนต้องการมีเพื่อนต้องการคนที่มีความหวังดีถ้าเราให้ความหวังดีกับเขาเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็จะรักเราชอบเราแล้วเขาก็จะมีความหวังดีต่อเราดังั้นเบื้องต้นเราต้องเป็นผู้ แสดงความเมตตก่อนอย่ารอให้ผู้อื่นเขาแสดงความเมตตากับเราเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่มีใครอยากที่จะแสดงความเมตตาให้ต่อกันและกันรอให้เขาแสดงก่อนถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความเมตตากับเราขอให้เราแผ่เมตตาให้กับคนอื่นก่อนเช่นแผ่ด้วยการแบ่งปัน แต่ด้วยการบริจาคสิ่งของวัตถุข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ไม่มีไม่ใช้ก็ไม่เดือดร้อนก็เอาเช่นเอาอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆอันนี้ก็บ่งถึงความเมตตา มีความปรารถนาดีต่อพระภิกษุที่อยู่ในวัดอยากจะให้พระภิกษุได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่อัตคัดขัดสนนี่คือการทำทานที่แท้จริงไม่ได้ทำทานเพื่อหวังให้เราร่ำให้เรารวยแต่ทำเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะว่าการทำให้คนอื่นมีความสุขจะทำให้เรามีความสุข และจะทำให้เรานี่ไม่มีความอยากที่จะไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายคนที่มีความเมตตาคนที่แบ่งปันคนที่มีการเสียสละแบ่งความสุขให้แก่ผู้อื่นคนแบบนั้นจะไม่คิดร้ายกับใครจะไม่ชอบทำร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายในทางตรงกันข้ามถ้ายังไม่มีความเมตตายังไม่มีการเสียสละแบ่งปันยังมีความหวมความตณหนียังมีความโลภอยากได้มากๆไม่อยากให้อะไรกับใครจะทำให้ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้เพราะเวลารักษาศีลก็จะทำให้ การหาอะไรต่างๆนั้นมันยากมันลําบากไม่เหมือนกับการไม่รักษาศีลคนที่ทำมหากินก็บอกว่ารักษาศีลแล้วทํามหากินไม่ค่อยคล่องเพราะโกหกไม่ได้เพราะโกงไม่ได้แต่ถ้าคนที่มีความเมตตาคนที่แบ่งปันจะไม่โลภมากจะไม่ไม่กังวลว่าจะ ต้องหาเงินมากมากเพราะว่าเขาไม่ต้องการเงินมากเขาต้องการความสุขทางใจที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็จะได้ทำให้เขานี้ไม่ต้องทําบาปทํากรรมทำให้เขารักษาศีลได้เพราะว่าการที่เราจะต้องออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราต้อง ปฏิบัติทำหลายขั้นด้วยกันขั้นแรกเราก็ต้องไม่หวงไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะถ้าเรายึดติดตายไปเราก็ยังจะกลับมาหาข้าวของเงินทองต่อไปเราต้องไม่ยึดติดเราใช้เงินทองไว้เป็นคนรับใช้เราใช้เงินทองไว้สนับสนุนการดำรงชีพของเราก็พออย่าใช้เงินทองเป็นสาระ เป็นที่พึ่งในการหาความสุขต่างๆถ้าเราใช้เงินทองเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องกลับมาหาเงินทองอยู่เรื่อยๆตายไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราไม่ยึดเงินทองไม่หวงเงินทองมีเงินทองไว้สำหรับใช้เลี้ยงดูปากท้องไปเพียงอย่างเดียวไม่เอามาซื้อความสุขต่างๆ ถามีเหลือก็เอาไปทำบุญเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาเงินทองใหม่แล้วก็จะทำให้เรามีความเมตตาทำให้เรารักษาศีลได้เพราะถ้าเราไม่รักษาศีลตายไปเราก็ต้องกลับมาใช้เวรใช้กรรมจากการในการทำบาปจะต้องไปใช้เวรกรรมในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เป็นนสุลกายไปตกนรกเพราะการกระทำบาปแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องกลับมาใช้เวงใช้กรรมในอบายถ้าเรากลับมาเราก็จะกลับมาทำบุญต่อมาสร้างกุศลต่อเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกต่อไปการที่เราจะไม่กลับมาอีกต่อไปก็อย่างที่บอกพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วขั้นต่อไป เราก็ต้องมาหัดรักษาศีลแปดกันเช่นวันธรรมดารักษาศีลห้าได้วันพระก็มาลองรักษาศีลแปดกันดูสักวันหนึ่งเช่นวันนี้เราจะถือศีลแปดกันเราจะหยุดการหาความสุขทางร่างกายกันไม่ใช้ร่างกายร่วมหลับนอนกับใครไม่ใช้ร่างกายหาความสุขจากการรับประทานอาหาร ไม่ใช้ร่างกายหาความสุขจากการดูของละเล่นของบันเทิงต่างๆไม่ใช้ร่างกายหาความสุขจากการเสริมความงามของร่างกายจากการใช้น้าหอมน้ามันใช้เครื่องสาอางใช้เสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดารต่างๆเพราะมันเป็นความสุขประเดียวประดาวเป็นความสุขแบบควันไฟเดียวมันก็หายไปหมดไป มันไม่อยู่ติดกับใจเหมือนกับความสุขที่เราจะได้จากการมาทำใจให้สงบเนี่ยความสุขที่ทำให้ใจสงบนี่แหละเป็นความสุขที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาบกทั้งหลายมีกันและมีไปตลอดไม่มีวันหมดไปจากใจใครที่มีความสุขแบบนี้ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปพอไม่ต้องหาความสุขผ่านทางร่างกายก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของบัณฑิตที่จะพาให้จิตใจของเรานั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อย่าไม่มีความทุกข์มีอยู่ในใจเหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลย<ม>ต่อให้มีเงินทองมากมายเท่าไหร่ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนก็ตา ม, มก็ยังมีความทุกข์อยู่ความทุกข์ที่เกิดจากความห่วงความทุกข์ที่เกิดจากความกังวลความทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบไม่ปรารถนา ความทุกขที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพลดพลากจากกันนี่คือความทุกข์ที่พวกเรายังไม่สามารถที่จะกาจับได้เพราะเราขาดเครื่องมือที่จะมาใช้กาจัดความทุกข์เหล่านี้ขั้งมือก็คือการทำบุญให้ทานการมีความเมตตา การรักษาศีลและการปฏิบัติทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดให้ไม่หลงกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายไม่หาความสุขจากการทำตามความอยากต่างๆแต่หาความสุขจากการทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบด้วยการรักษาศีลแปดวันนี้รักษาศีลแปดแล้วก็ไปหาที่เงียบๆ อยู่คนเดียวถ้าอยากจะทำใจให้สงบต้องอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวถ้าอยู่กันหลายคนเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคนนั้นทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ก็จะรับกวนใจกันคนที่อยากจะหาความสงบนี้ต้องไปปรีกวิเวกการมาปรีกวิเวกก็ไปหาที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากสสงสีเสียงต่างๆถ้าไปอยู่ในสถานที่มี คนมากมีพภารกิจมีเรื่องราวมากก็จะลบกวนการทําใจให้สงบถึงแม้จะเป็นวัดถ้าเป็นวัดที่มีคนพลุกพล่านมีกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างนี้ตทางสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมทางสายตาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ถือว่าเป็นวัดวัดของพระพุทธเจ้านี้ต้องเป็นวัดแบบที่พระพุทธเจ้าอยู่ สมัยที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญ น, นี้วัดของพระพุทธเจ้าก็คือป่าเขาลำนาวไพรนั่นแหละคือวัดที่แท้จริงไม่จําเป็นจะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลาพระพุทธเจ้าตัดสั้รู้ในป่าไม่ได้ตัดสัรู้ในเจดีย์ไม่ได้ตัดสั้ JD, สรู้ในโบสถ์ไม่ได้ตัดสั้รู้ในกุฏิเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นมันไม่เหมือนกับป่าเขาลำนาวไพร อยู่ในป่าในเขานี้จะพบกับความสงบสงัดความวิเวกการวิเวกนี้จะทำให้ใจนิสงบง่ายถ้าใจอยู่กับสถานที่มีเสียงอึกกระทึกคึกโครมมีแสงสีเสียงมาคอยรบกวนใจจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ผู้ที่ต้องการความสงบจึงจาเป็นที่จะต้องปลีกวิเวกถ้าอยู่บ้านก็ต้องมาอยู่วัด มาอยู่วัดก็อยู่วัดที่มีการปฏิบัติธรรมอย่าไปอยู่วัดที่มีมโหรสพมีงานวัดอันนั้นไม่ใช่เป็นที่ปีกวิเวกมาอยู่วัดมาถือศีลแปดกันถ้าเรามาอยู่วัดเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าเรามีความสงบเรามีปัญญา เราจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เลยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือความเป็นมงคลของชีวิตที่เกิดจากการไม่คบคนงโง่คบคนฉลาดวันนี้พวกเรามาคบคนฉลาดกันมาหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้แก่พวกเหล่านี้จะเป็นศาสดาเป็นครูเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าต่อไปพวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจากพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมา ที่จะทำให้เรานั้นทำในสิ่งที่ดีที่งานที่เป็นมงคลแก่ชีวิตของเราต่อไปจึงขอเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายหมั่นมาวัดกันอยู่เรื่อ ย, อยมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมกันเพื่อชีวิตที่จะมีความสุขและความเจริญเพิ่มขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไปถึงพระนิพพานที่มีแต่ปรมมงสุขขังคือมีบารุมมาสุขที่ไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจแล้วบุญกุศล